ในเมื่อฉันเองก็มีความสุขดีอยู่แล้ ว, วคนที่มีคำถามแบบนี้ในใจนะก็มีเยอะนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากจริง <c oughs> ๆก็นายถามต่อไปว่าทีาว่ว่าฉันมีความสุขดีอยู่แล้วนี่จริงหรือเปล่า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 คนที่เขาร้องโฮมร้องไห้คนที่เขากลุ่มอกกลุ่มใจก่อนนั้นนั้นเขาอาจจะมีความสุขดีขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขาประสบความสำเร็จแต่แล้วพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเช่นพบปะตุ๋งเป็นมะเร็ง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 เพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้น ต, ต้องถามไหมว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะคนหนึ่งเขาก็เป็นกันเอาคนที่บอกว่าเนี่ยทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยทไมต้องเป็นชั้นเนี่ยพราะเขาไม่เคยได้มองชีวิตให้ถี่ั่วนเลยว่าของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เขาไม่มองก็เพราะว่าเขาเพลินกับความสุข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 นั้นถ้าเกิดว่าเรามองชีวิตให้สุดสายตลอดให้ไปตลอดเรอบฟังก็จะพบว่าเนี่ยสุขวันนี้ไม่ได้แปลว่าผู้นี้ก็จะสุขด้วยมันมีความทุกข์รอเราอยู่คำถามคือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราหรือเมื่อต้องไปชนกับมันตราพร้อมหรื อ, อยังเราพร้อมที่จะรับมือกับมันหรื อ, อยังนะ เพียงแค่มีเงินประกันมันไม่พอนะถึงแม้จะมีเงินประกันเงินประกันความเจ็บป่วยเงินประกันความสูญเสียนะแต่ว่ามันก็ไม่อาจจะเยียวยารักษาจิตใจเราให้หายจากความเศร้าโศกเสียใจหรือความวิตกกังวลได้ถึงแม้ว่าจะมีเงินประกันค่ารักษามาเร็ง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 อันนี้แค่สิ่งของเนะี่ยยังไม่นับถึงบุคคลนะซึ่งเป็นที่รักถ้าเกิดสูญหายไปลมหายายจากไปก็เงินเท่าไหร่ก็มาทดแทนหรือมาเยียวยาความเสียใจความเศร้าโศกไม่ได้เลยแต่ว่ามันยังมีอย่างหนึ่งที่สามารถจะช่วยได้นะสิ่งนั้นก็คือ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 เป็นปุถุชนก็มีหลายคนนะที่เขาสามารถจะมีความสุขได้สุขใจแม้ว่ากายจะทุกข์หรือว่าเขาสูญเสียข้าวของทรัพย์สมบัตินะแต่ว่าใจไม่เสียด้วยเสียแต่ทรัพย์ใจไม่เสียหลายคนนี่เสียทรัพย์ไปเงินหาย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 แต่ว่าต่างโทษกันไปโทษกันมาหรือว่าต่างคนต่างก็เศร้าโศกเสียใจมีความทุรเลิก็เลยระบายความทุกข์ใส่กันและกันก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ก็เสียบางคนไม่ได้เสียลูกหรือว่าเสียคนรักนะเพียงแค่ว่าเงินหายของหายนะธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จนะก็กลายเป็นว่าทะเลาะเบกแวงกัน ศาสสายความทุกข์เหตุการณ์ลกันเอาไปเอามาเนี่ยไอสิ่งที่เสียไปถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วนี่หมายถึงเสียใจสุขภาพเสียเสียงานแล้วก็เสียความสัมพันธ์รวมๆไปวรวมๆกันแล้วนี่อาจจะมากกว่าเงินที่เสียไปซะอีกเริ่มแรกเสียเงินไปแสนหนึ่งเริ่มแรกเสียเงินไปสี่ห้าแสน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 ลืมไปว่าเนี่ยไอ้ตอนที่มีความสุขตอนที่ยังปกติดีนี่นแหละคือช่วงเวลาที่ต้องฝึกฝนนะเตรียมรับมือกับเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับทหารนะ ก, ก็จะมีคาขวัญว่ายามสงบเราฝึกยามศึกเรารบนะไอ้ตอนที่สงบตอนที่บ้านเมืองไม่มีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยนะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการฝึกฝน ซ้อมรบนะจะไปคิดว่ามันไม่มีอะไรตอนนี้จะซ้อมไปทำไมไม่มีประโยชน์บ้านเมืองก็ปกติด่อยู่แล้วซ้อมไปทำไมนะไม่มีใครถามแบบนี้กันเพราะเขารู้ว่าถามแบบนี้มันประมาทนะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่มีศึกสงครามไี่ต้องซ้อมซ้อมเต็มที่และพอเกิดสึกขึ้นมาก็จะได้ ไม่ต้องซ้อมแล้วลงมือเลยนะเข้าสู่สมรภูมิจริงถ้าพวกเราถึงแม้จะไม่ใช่ทหารนะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไม่มีศึกร อ, อเราอยูนะ่สงครามชีวิตสงครามกับความทุกข์ความเจ็บป่วยความสูญเสียความล้มเหลวสารพัด มันอาจจะเป็นสงครามที่ไม่ใช่สู้กันด้วยหรือทำลายกันทางร่างกายแต่มันเป็นสงครามที่ทำให้เกิดความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลความเศร้าเสียใจมันบั่นทอนจิตใจนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราทุกข์มาไม่ได้ทุกข์เพราะว่าทุกข์กายมากเท่ากับทุกข์ใจนะ ความทุกองคนสมัยนี้มันเป็นความทุกข์ใจเสียมากถึงแม้ว่าจะมีเงินทองถึงแม้ว่าจะมีร่างกายปกติมีทรัพย์สมบัติแต่ ว, ว่าก็ยังมีความเครียดนอนไม่หลับจิตไม่ได้กลุ่มอกกลุ่มใจด้วยเรื่องต่างๆสารพัดถ้าความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้จากอะไรนะก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้จักฝึกฝนนะ จิตใจเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ชีวิตบางคนจะราบรื่อยไปตลอดนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเจอวิกฤตนะสิ่งนั้นคืออะไรนะคือความเจ็บป่วยและความตายสุขวันนี้สบายวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้วันหน้าจะไม่ตาย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 ตายหรือว่านั่งๆอยู่ก็อาจจะหัวใจยหยุดเต้นก็ได้เคยไปอบรมเรื่องเป็นมิดกับความตายนะที่หอจดหมายเหตุสวนโมกลกรุงเทพกำลังมีกิจกรรมทําอยู่ดีๆตอนบ่ายบอกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30กว่าอยู่ที่ก็ล้มลงไปทีแรกนึนกว่าเป็นลมเพราะในห้องนั้นมีคนเป็นร้อยปรากฏว่าหัวใจหยุดเต้นแตโชคดีในนั้นมีหมอเยอะนะก็ช่วยกันปั๊มขึ้นมาอายุยังไม่มากเลยนะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเธอก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะมะเร็งระยะต้ น, ตน อาจจะกินยาหรือว่ามีปัญหาแทรกซ้อนก็เลยหัวใจหยุดเต้นดีที่มีคนเช็คชีพจรแล้วก็เช็คหัวใจก็เลยช่วยงขึ้นมาพาส่งโรงพยาบาลรอดนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหมอหรือว่าไม่มีคนเฉลียวใจนี่ก็อาจจะตายคาที่ไปเลยก็ได้ มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในะเรื่องแบบนี้วันนี้นเราต้องไม่ประมาทนั่นเพราะท่านเนี่ยถึงแม้เราจะมีความสุขดีอยู่แล้วนะเราก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมตัวอย่างนี้ไม่พอนะต้องเตรียมใจด้วยนะเพื่อที่จะรับมือกับมันเพราะว่าความทุกข์หรือเหตุร้ายหายอย่างเนี่ย อย่างอื่นช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ใจนี่แหละสำคัญนะที่จริงในยามปกติเนี่ยคนเราจะสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละนะแม้ว่าบ้านชีวิตจะราบเรียบราบรื่นเหมือนโรดกีค่คกูลาบมีกินมีใช้ครอบครัวอบอุ่นไม่เจ็บไม่ป่วยการงานก็ไปได้ดี จะหลายคนก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเบื่อทุกข์เพราะเหงาเหงาและเบื่อรู้สึกคิด ว, ว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายคนมากมันก็น่าแปลกนะชีวิตก็ราบรื่นดีทุกอย่างก็ปกตินะแต่ว่าก็ยังทุกข์อยู่เพราะเบื่อเพราะเหงาหรือเพราะอยากจะได้มากกว่านี้ เห็นคนอื่งเขามีมากกว่าเรามีดีกว่าเราก็อยากจะได้อย่างเข้ามั่งบางทีก็ไม่พอใจรูปร่างหน้าตาของตัวท้านที่ก็ดีอยู่แล้วพอเห็นคนอื่งเขาสวยกว่านะเขาเพรียวกว่าเขาสมาร์ทกว่าเ็าเท่วกว่าเนี่ยมันทูกพอใจทั้งนั้นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน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 จะลอให้แก่แล้วค่อยเข้าวัดอย่างที่หลายคนนึกอยู่ในใจนก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้เพราะว่าการรอวังชาไม่อํานวยหรือว่ า, า จ, จะไม่ทันได้แก่ก็ได้ไม่มีโอกาสได้แก่เพราะว่าเกิดป่วยเกิดตายซะก่อน <c oughs> ที่จริงเนี่ยการที่คนเราจะมีความสุข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 นะศึกษาวิจัยสอบถามความเห็ น, นยอย่างที่เราทะลุ ป, ปูปโปรง72ประเทศนะคงรวมมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็สอบถามคนวัยต่างๆเขาพบก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาพบว่าอายุเฉลี่ยคนที่มีความทุกข์มากที่สุดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่สบปีนะ คนที่อายุ46ปีเนี่ยเป็นอายุเฉลี่ยของคนที่มีความทุกข์มากที่สุดทุกในที่นี้นี่ส่วนใหญ่เขาหมายถึงทุกใจนะความวิตกกังวลความเครียดมันก็ไปพรองไปสอดคล้องกับความกับงานวิจัยของศาสตราจารย์คนหนึ่งที่หมหาวาัยปรินส์ตอันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันเขาก็ไปสอบถามความ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 วัยกลางคนก็ประมาณ40กว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยความสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นความทุกข์ค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งถึงอายุ80ดสิพบพบว่าเขาไอ้ความเส้นความทุกข์ของความรู้สึกสุขทุกข์ของคนเนี่ยมันจะคล้ายๆไปรูปตัวยูนะคือสุขมากตอนยี่สิบแล้วค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงม า, งมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัยกลางคนก็จะต่ําสุด ในงานความสุขหรือสูงสุดในงานความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลแล้วค่อยๆเราดันความทุกข์ค่อยๆลดลงความสุขค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั้งอายุ80มันจะเป็นรูปตัวยูั่นก็มีคําถามขึ้นมาว่าทําไมคนแก่เนี่ยถึงมีความสุขมากกว่าวัยกลางคนทั้งที่วัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นวัย ที่เราวาขาขึ้นผูนะ้นำหลายคนก็ได้เป็นได้ครองตำแหน่งสูงสุดก็ประมาณ40ปลายๆอย่างโอบามานะหรือว่าเดวิดคารเมรอนหรือว่าท in ักสินชินวัตอภิสิทธิ์คนนี้ก็40กว่าทั้งนั้นนะตอนที่เป็นได้เป็นผู้นำประเทศ เศรษฐีนะักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็เห็นหน้าเห็นหลังก็เนี่ยวัยกลางคนนี่แหละแต่ทำไมถึงมีความทุกข์มากส่วนคนแก่เนี่ยจ้างที่กำลังวังชาก็น้อยเงินทองก็ร่อยรอเกียรติยศชื่อเสียงก็น้อยลงเพราะว่าเป็นวัยกเกษียณนั่นทำไมถึงมีความสุขมากกว่าและสุขมากกว่าคนที่อายุสิบแปดด้วยซ้ำนะ คะแนนเต็ม10นี่อายุพวก80นี่มีความสุขประมาณ7นะส่วนอายุ18มีความสุขประมาณ 6.8 นะนี่ก็ทำละเอียดขนาดนั้นเลยก็มีคำอธิบา ย, ยานี้ว่าเป็นพาะคนแก่เนี่ยคนชราเนี่ยถึงแม้จะมีกำลังวังชาน้อยลงมีเงินไม่มากเนเหมือนตอนที่ยังอยู่เป็นวัยกลางคนแต่ประสบการณ์ชีวิตวุฒิภาวะ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 หรือว่าตีอกชกหัวเพราะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนแก่นี่เขามีอาบน้ําร้อนมาก่อนเขามีประสบการณ์มาก ผ, าผ่านร้อนผ่านน้ามากเขาก็จะรู้ว่ามันธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปอีกสาเหตุ น, นึ่งก็เพราะว่าเขารู้ว่าความสุขมันอยู่ที่ใจนะความสุขมไม่ได้อย่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะถ้าทําใจให้ดีทําใจให้เป็นบวกมันก็มีความสุขได้ ไม่เครียดีกเหตุผลนึงคือว่าเขารู้ว่ายอมรับข้อจำกัดของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่สมหวังไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรยอมรับได้ทำใจได้ส่วนวัยกลางคนคนหนึ่งคนสามนี่ยังทำใจไม่ได้เพราะเครียดตัวเองเนี่ยมีความสามารถล้นเหลือเวลาล้มเหลวก็หัวฟัดหัวเหวียงและประการสุดท้ายคือว่าคน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 เปเรื่องของมุมมองเปเรื่องทัศนคติแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ต้องรอให้อายุถึง80ก่อนนะถึงจะมีความสุขได้วุฒิภาวะประสบการณ์หรือความเข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรายังหนุ่มยังสาวนะซึ่งส่วนนี้เกิดจากการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเห็นความจริงเห็นความจริงของชีวิต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 ให้สิ่งนี้เราทําได้นะไม่ต้องรอให้แก่สักผ่านไม่ต้องรอให้ผ่านโลกมามากมายนะถึงจะทําอย่างนั้นได้บางทีคนแก่ก็ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ายัางมีความยิดมั่นถือมั่นนะแต่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา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 โดยใจไม่ทุกข์อันนี้แหละคืออา น, นิสงส์นะหรือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมันเป็นประโยชน์ที่เราจะพบได้นะถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องไม่ใช่ทาศักแต่ว่าเป็นพิธีหรือว่าทาแต่รูปแบบแล้นี่เคยผลว่าแม้กระทั่งคนที่ทำบุญให้ทานหรือว่าคนที่รักษาศีล แม้จะทํามามากนะนั่นก็ยังไม่พอนะเพราะว่าให้ทานเยอะรักษาศีลทั้งศีลห้าศีลแปดแต่ว่าก็ยังทุกได้นะทุกใจเพราะความเจ็บความปวดทุกใจเพราะความพลาดพลาดสูญเสียมันไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าทําบุญให้ทานเยอะรักษาศีล น, นะอย่างเคร่งครัดแล้วนี่จะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่